มันไม่เป็นพวกการอยู่การไปมันเป็นเพราะความคิดของเรานี้เองดันั้นจึงดำเนินงานไปช่วยกันประคองไปทำให้นอรุณรอนในเรื่องไทยเราเนี้ยชื่อวัดวัดวัดปานนาชาติบูรไวจะให้มันเป็นวัดบูรไวนะ แต่ผมถามพระรังว่ามาจะไหนมาจะวัดบุ่นวายมันวัดบุ่นหายหญ่มันบุนวายใครมาที่นี่ก็มาช่วยสร้างอนุสรณ์ที่นี่ไว้ที่นี่แล้วก็ผมเน้นว่าญาติโยมทั้งหลายนั่นก็ให้กีวานยาบินตบาทเทนะสนะเทสัตนีพอสุขส่วนถึงแม้ว่า เขาจะอยู่ในป่าในโดมก็จริงจะเป็นคนมานอกก็จริงเขาก็ทำตามกำลังศรัทธาของเขาอย่าไปถืออย่างนี้นะแม่โยมเนี่ยเทศเน่ฟังเร้วกงความานทำไมอืมวันนี้เป็นวันพระมาสัมมตานสิงแล้วพรุ่งนี้ก็ไปพอดไหยให้เราเห็นอยู่นะ ยังไปกินสุราให้เราเห็นอยู่อีกคินระวันพระหน้ากมาสมทานอยู่มาฟังธรรมอยู่นอกเส้นออกไปแล้วก็ไปทอดแผลอยู่ฆ่าสัตว์อีกไปกินเล่าอยู่ดีอย่างนี้คิดเป็นนี้เห็นเองก็ไม่กะบายใจแม่เราทำอะไรอะไรเลยไม่เกิดประโยชน์เลยนะวันนี้จะประทานขินเดียวพรุ่งนี้ก็ไปทอดแผลอย่างนี้บางทีพระ ผู้มีปัญญาน้อยก็น้อยใจว่าเราทำงานไม่ได้ผลว่าเราทำงานไม่ได้ผลไม่ใช่เราทำงานไม่ได้ผลเขานั่นไม่ได้ผลเออเราทำงานได้ผลอยู่ที่นี่เมื่อมันเกิดุกอย่างนี้มาทำไงเราพรป น, นในตัวของเราว่าเออเราในความมุ่งหมายของเราให้เกิดประโยชน์แล้ว ไอ้คนนี้อินซีเขายังอ่อนอินทรีเขายังไม่กล้าเออนะมันก็เป็นอย่างนั้นก่อนไี้เขาทําไปนั่นก่อนแล้วไปแนะนํานำเรื่อยไปอย่างนั้นอินซียังไม่กล้าถ้าเราจะทิ้งเขาพวกนี้ไปแล้วนะมันก็ยิ่งร้ายไปกว่านี้อีกอันนี้วันคืนก็ยังมาเตือนมันดังรู้จัก อายุมันครอบอมาค่อยๆละอา ย, ไ, ยไปเรื่อยๆไปอย่างนี้ก็ยังเขายังมีศรัทธาให้ทานให้ทานช่วยพวกเราในในปัจจัยตัางๆนี้เนตุการให้ทานนี่กับผมปัติจนาแลเคาเรืองว่ามันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องให้อาหารการปกันเรื่องให้เสนาสนะเรื่องอา้ยาบำบัดโรค เราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะนะเขาสงเษไปไปปอิีพานน่ะเนี่ยถ้าไม่มีอาหารการฉันมีไปไมีไหวแล้วนั่งเติมที่ไม่ได้ตั้งในวัดบุญวายนี่ไม่ติดแล้วแล้วก็คิดว่าไอ้คนนั่นทั้งหลายเราเนั่นอินทียเขายังอ่อนอยู่อินทรีย์เขายังไม่กล้าปล่อยู่อย่าง น, นั้นทีนี้เราจะทําเป็นคนยังไงเราทำเป็นคนสายยา นะทําเสมอ่ป็ปคนขายยาด้วยไปเหมือนกะใจเขาขายยาอตอนเช้ามาก็ตรวจดูรถตูราแล้วนะเอาดังยาขึ้นใืปแล้วก็โฆษณาไปเถอะยาปวดหายยากันใจยาอะไรเราก็ว่าเราไปเรี่อย ยาแก้โรคอะไรต่างๆมันกะว่าของเราไปบางทีคนมันปวดศีรษะหรือศีมันปวดท้องมันก็ต้องมาซื้อยาเราเราก็เอาเงินจากคนที่ไปมาซื้อยาเราตอนนั้นเนี่ยแคนที่ไม่มปซื้อยาเราเราไปเอาเงินจากเขาไม่ได้เราก็ยินดีเฉพาะคนมาซื้อยาเราแต่คนที่มันนั่งอยู่บ้านอะไรมันมาซื้อเอนเีจะไปโกรธเขาเลย อือย่าไปโกรธเขาเลยอย่าไปว่าเขาเลยอไอคนที่เขาอยังทำไม่ได้อย่าไปโกรธเขาเลยอย่าไปว่าเขาเลยขอแต่ mm hmm. แนะนําคําสอนเรื่ยไป mm hmm. เขาจะเอาเมื่อไรมือลิขิตเขากล้ามาเขาก็จะเอาเหมือนจะ่ขา ย, ยาเราก็โฆษณาขา ย, ยาเรื่อยเรื่อยไปถ้ามันปวดท้องปวดที่กระมันก็มาเอายาเรานะ ไอ้นคนที่มไม่เอายาเรานะเขาก็ไม่ปวดท้องไม่ปวดที่สัตรูสังข์เขาแล้วก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปเท่านั้นเองแล้วก็ปัญหามันสมุดไปจะข้งตัวพระพิจ า, ก, า, จาก็มีอย่างนี้แต่เราต้องการในถูกจุดนั่นมันก็ไม่ถูกมันที่เรา อ, อินทรียังอ่อนอินทรียังไงกล้าบารมียังไมเ่เต็มเขาก็จะไ ป, ไปเหมือนกันกับผลไม้ ที่มันยังอ่อนอยู่นั่นจะไปบังคับให้มันหวานมันก็ไม่ได้เพราะมันยังอ่อนอยู่มันดิบอยู่มันยังเปรี้ยวอยู่มันยังฝาดอยู่เพราะมันยังไม่โตมันยังไม่แก่เราจะบังคับให้มันโตไม่ได้เราจบังคับให้มันหวานนิวนั้นไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปอืมแห้มันเปลี่ยนการเปลี่ยนเวลามาให้ทินทีมันกล้าให้มัน เติบโตขึ้นมามันจะเปรี้ยวเองมันมันจะหวานเองมันมันจะสุกเองมันถ้าเราคิดอย่างนี้ใจเราสบายถ้าเราคิดว่ามะม่วงใบนี้ทําไมมันไม่หวานทําไมมันเปรี้ยวเพราะมันไม่สุกเลยธรรงโนมันเปรี้ยวเลยใจก็ผลไม้ไม่คตรจะเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราทั้งหลายในโลกนี้ตัอย่างนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราว่าดอกบัวมันขีเราดูดอกบัวขีเรา มันจมอยู่ในโคลนน่ะพ้นจมมาแล้วอยู่กลางน้ำํำเดือดเสมอน้ําแต่กระพรอ น, น้ํามาแล้วอือย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นเทีดให้ ส, สูตรสัตว์เพราะท่านรู้จักขินคีแก่ข้าข้งสัตว์ต่างๆนั้นอยู่อืพวกเร า, า, ารต่างๆนี่รควรกันกันนั้น อือันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไป็นตบครับใจเราเป็นคนหน้าที่ขายยาเราไปโฆษนาขายไปแล้วก็แล้วกันไปอืไอคนที่มันเป็นโรคสักวันหนึ่งมันต้องมาซื้อยาเราอันนี้ก็เหมือนกันโมอินทรีมันแก่ก้าอีกเมื่อหนึ่งวันหนึ่งมันจะเกิดนิสชาขึ้นนี่ก็มีอันนี้บังคับมันไม่ได้ทารกิฟเทนนี้เราจะสบายใจอยู่ตรงนี้ก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์ มันมีประโยชน์และกันฉันเลยดังนั้นพระเจ้าทั้ ง, งหลายจงบวชปฏิบัติกรุงเกี่ยวกันเพื่อมันเกิดทุกมาเกิดความไม่สบายมาเกิดอะไรอะไรมาทุกอย่างให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้า ส, สอนอย่างไรเดชะธรรมท่าทนปัจไภปฏิบัติอะไรอย่างไรแล้วพระสงฆ์ท่านปฏิบัติอย่างไร ข้อปฏิบัติของพะสงค์นั้นคืออะไรมีพระพุทธเจ้าทันรู้ทันรู้อะไระท่านบัญญัติธรรมะนั้นบัญญัติอะไรและปฏิบัติอย่างไรคือประสงค์อให้ลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจของเราทุกเวลานั้นแล้วประโยชน์เกิดขึ้นมาอประโยชน์เกิดขึน้นมาดังนั้นทุกทุกท่านทั้งหลายนั้นก็ มันอยู่เมืองนอกก็มาอยู่เมืองเดียวกันต้องมีความเฉลี่ยสำคัญคงเดียวกันอแบบนี้ตุเมโทรทั้งไปแล้วนะยังเหลือแค่พวกเรานี้ที่ไหนทีไหนก็ก็มาเข้าไปวัดน้องบัวโพงเขกไปที่ไห น, า ม, าาไนามาดูที่นี้มาปฏิบัติที่นี้มาดูที่นี้นี่เป็นอนุสรณแคร่รู้สึกว่าประชาชนคนในเมืองทั้งหลายก็ เรื่อนสายยินดีเรลื่อนสายให้อย่าลืนตัวนะให้โกระสัดใจสัดส่วเราตั้งตัวให้มันดีทำให้มันดีมันก็มีผลเกิดขึ้นมามนวีเป็นไงละวีืาวีเป็นไงใจสบายไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นไหม ือใจสงบไหมห้5สิบเปอร์เซ็นไหมอะไรเนยห่อยคาวีรออังเจริอ่ฮจริอืหสเปอร์เนนี่ยแหละอืมทุกคนมีอะไรไหมใครสงสัยอะไรไหม a ้ y b o d ร h a า e any doubts or questions เว่าว <Yeah. S 2> ิตใจมันมันรู้มันไม่รักตัวกระจายไปไกลรู้ท้อแนะนาใช่ต่รูไปให้มันเป็นแจงแด่มแจ่มตัวงหรือไม่ต้องทำอะไรั่นเด็กอาจารยน้ำเาเนีคือ นะมันมันคิดอะไรยังไงเด้ออ่าจิตมันเมืดเด้อมันไม่สว่างเลยไม่มันไม่สว่างด้วยปัญญาเลยหรือหากว่าเวลาเรานั่งหรือเวลาเรานั่ง โดยเรานั่งสมาธิมันมันใคโอ้มันมันมีวานกันไ่เออเอาว่าไปบุ้งมันจะยังไงนั่งสมาธิเรียไงเขาผมดดังนั่นี่เขเพ่ดงุกหลาบหลายอหลับกับหลับต้องนนวรเหลับตัวาัมืด ไอแค่มันง่วงเลยมันเกิดสมองมันทึบใไเนี่ยแต่ไม่ใช่มันง่วงไอแค่มันง่วงอ่ะไอแค่มันง่วงอ่ะง่วงอ่ะฮะอื้อ มันเทื่อเรออยากจะให้มันมีปัญญาแหละเลียนนิยบุตรเดินจะคมให้มากเดินจะคมมากไหมน่มา้าสดายวันหนึ่งสี่เที่ยว<ป>อืเดินจะคมใหมมันมากนี่อันหนึง่งนะ เดินนี่กไม่มากกว่าอายบทเดินเนี่ยมันมากกว่าเดินนี่มันจนเหนื่อยเดินในสามส่วนเมืนดินกลางวันด้วยกลางคืนเดินกลางวันด้วยกลางคืนเดินเลยสอง กลางวันสองชั่วโมงแลวมันคิดไหมเมื่อเราเดินจงตรมมันคิดหลายไหมโดยมากมันคิดไปในสนองไหนมันคิดอะไรมากเมื่อเมื่อจิตเรามันมันเมื่อนั้นครับ ทำอย่างไรซึ่งนแก้ไขนั่นมันสองใจปล่อยมันกําหนดรูดเฉยๆหลือพาวิธีใดวิีหนึ่งหรือร อ, ร อ, อุบายใดอุบายนึ่งแก้ไขได้หรือทำอย่างไรมันใน่คิดนะมันใน่คิดเดะอไม่มาคิดคิดอยู่กับที อันียาบหมันั่นไม่จำบำเสมอกระมั้งการเดินนี่มันมีความคิดมากมันมีความคิดมากตอนไอ้พิจาณามากแล้วจีบมันก็ออกอืมันไม่ติดอยู่ที่นั่นก็ก็ช่างมันเราเราเราเพิ่มการเดินในีมันมากเละตรงนี้มันจีดอยู่ตัวนี้ก็ติดไว้นี่ก่อนนะมันอยู่ในนี้ก็พิจารณ์อยู่จุดนี้แล้วมันไม่ไปก็อยู่จุดนี้ก่อน แต่ว่าหาอุบายเราก็ต้องยกเปรียบเทียบให้มันพิจารณาให้มันออกเมื่อกิจมันเป็นเช่นนั้นน่เอามันออกพิจารณาเคยพิจารณาร่างกายไหมหพิจารณาล่างกายสัตว์นี่ตรงมานี่อเคยจิตต่อกันไหม เคยพนติดต่อกันบ่อย ๆ, ๆหมหรือนานๆทีหนึ่ง <c oughs> ทุกวนันทีนี่เทวมันมืดมันเป็นไงมันไม่อยากคิดที่มันเป็นไงเทว่ามันมืด <c oughs> Is tolerance of attention as well, or is t o m e r a n c e of attention? c Is it all all the time? You have trouble doing this today. No, no, not all the time. Never. n e t e r been. Tuk? Yes. Gid? Been tuk? Yes. Saw? Been? Yes. Gid? Been? Tuk? Yes. เรานะเมื่อจิตเป็นเบ่ น, นั้นเราก็นึกว่าจิตเรามืดไม่เกิดปัญญาลแล้วก็เคยเป็นทุกข์จิตก็เกิดป็นทุกข์ขึ้นอาการจิตอย่างนี้นะ อ, า, อาการจิตที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ ไอ้ความทุกข์นั่นแหละมันก็คือที่มันไม่รู้จักทุกข์เกิดขึ้นมามันไม่รู้จักแล้ก็มันก็สงสัยทำไมเป็นอย่างนี้แล้วหลักที่มันว่าการปฏิบัตินี้นะมันจะเป็นยังไงก็อย่าไปสงสัยมันความสงสัยนี่เป็นทุกข์อันนี้ มันจะสว่างสบายก็อย่าสงสัยมันอันนี้มันเป็นอาการจิตมันจะมืดก็อย่าไปสงสัยมันเลยอันนี้มีทำเพียนแล้วก็ทำของเราด้วยไปไม่คล้องแวะมันกํหนดตรงนั้นมามันรู้อย่างนั้นแล้วอย่าไปสงสัยในสิ่งในอาการที่มันเป็นอย่างนั้นไม่สงสัย ที่เราอุปทานมันคือเราเ็าไปสงสัยในสิ่งทั้งหลายเรานั่นมันถึงมืดที่นี่จะเจริญผ่านไปเนี่ยคือาการทำเพียร น, นี้ไม่ต้องสงสัยอะไรมันที่มันเกิดขึ้น ม, มาแต่กำหนดรู้เท่านั้นก็พอแล้วเข้าใจไหมหฟังดีที่จะอะไรใช่ไห Just to notice, as you're doing your practice, not to uh, spend a lot of time doubting and questioning these things, but rather just to note them and continue with your practice, whether it be dullness or whether it be uh, light and and, uh, and understanding or whatever in your in your practice to just note. These things and continue the day-to-day -day, uh, practice. If you say mm -hmm. not to stop, it's like continuing on walking on a path. But to so not just stop off there, if you stop off there, we well, y o u get hung up. Rather to just note as uh, things, just like noting things passing, like in a car or something. Just to note them and then continue on. h e a p มันชอบง่วงไหมนั่งสมาิชอบง่วงไหมชอบง่วงไหมที่ง่วงกับไม่ง่วงอะไรมากกว่กันโอ้ที่ง่วงมันก็จําไม่ได้เนาะถ้านั่งมันง่วงอย่าหลับตาให้ดืมตาเท่งดูจุดใดจุดหนึ่งอย่างนั้นก็ได้อาบมือไหว ดูจากวเาแสงดูจุดใดจุดนึงผมบอกอยเรื่ยอยทุกองเนะ่บอกอย่ชื่อผมเปนไหนรันี่หลักตายอยู่เรื่อยหยอ้นั น, นะนั่ง น, นั่งสาที่อยาไปนั่งนั่งเงี้ยถามันง่วง น, นอนดูจุดใดจุดนึงก็ได้เนี่ยเียมันยังแสงไฟมันมากระทบ เสื่อแล้วมันใสมองๆกันดูยิบไปดับตามันอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งทำจัดนิวรณความง่วงความมือดออกจากจิตใจของเราก็ได้ถ้าวันนี้พอคนเราดับตาดูที่มันในง่วงดีใสอยู่ข้างในล้วก็ดับไปได้ ถ้ามันจะง่วงแล้วเป็นต้นเราก็ดื่มตาขึ้นดูจุดได้จุดหนึ่งนี้คล้ายๆกับสินเขาเนี่นนะอย่างนี้แก้ตรงนี้ไอ้จิตมันสงบไอ้จิตมันรู้ให้ที่เรามันนอนมันง่วงมันไม่ใช่จิตสงบหรอกมันนิวนรรบงามมันมืดทีนี้อ่าการนอนของเรานั้นอ่ะ แล้วแก้ไขมันจะทํำให้มันนอนเลยมันก็ไม่ได้นะธรรมชาติของร่างกายเรามันมีอยู่ถ้าว่าทําให้มันง่วงนอนที่สุดแล้วก็ให้มันนอนจชะการให้มันนอนมันกระงับนิวรณอย่างหนึ่งเหมือนการทำมันติมที่มันเนยนี่แล้วก็เว่าเรานั่งยายมันง่วงถ้ามันง่วงดื้ตาขึ้นดูวันนี้ถ้ามันใสขึ้นไปทางในแล้ะดับ ตาก็ได้ดับตาแล้วมันก็ยังไสอยู่นี้นี่ก็เรียวกว่ามันไมมืดแล้วพอสมควรสมควรทุก ค, ค, คนตามกําลังเวลาแล้วเราให้มันบางทีคนเราก็นอนอยู่เรื่อยไปไม่ให้มันนอนมิแต่มิเตอดนอนมิแต่กันความนอนไม่ไห่มันนอนนอนนั่งง่วงไม่ไม่ได้รู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยี่กาจัดมีวอหนหอก t a l k i n น a บ o u t Ways to get rid of sleepiness, or if you really get dull and sleepy in your practice, to open your eyes and fix your attention on some spot in front of you. And that <coughs> sleepiness, of course, is natural because the body needs sleep. So that if you don't, to not let yourself sleep at all, is not right because. Uh, Nature of the body needs sleep, so that uh, to sleep. But then, when you come and sit to make your mind clear, and uh, if you get dull and sleepy, closing the eyes, then to open the eyes and uh, fix your attention on a point in front, and then once your mind is again clear, and then you can go ahead and close your eyes. The people that come. And sit, and uh, try to force themselves to sit all the time, and, and never to let themselves go asleep. That uh, they're not getting anywhere or doing anything either. They're just kind of going against uh, nature of the body, and just every time they sit, they fall all over themselves, and that's not it either. The point in the practice when we sit is to uh, make your mind clear, and to To get through the hindrance of uh, dullness and sloth and talk or sleepiness, whatever it might be, and to clear your mind out and uh, to be able to see clearly what's going on within you. Huh? Uh, uh. เอาได้มองเอาตานี่มองเนื้อโดยเอาการใกล้ไปไหมใจมันรวมตรงไหนมันก็ได้อ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะเราไป ด, ดูตามอาการมันนะไปยึดตามอาการมันก็ยากนะเรื่องภาวนานี้อ่าความเป็นจริงนั่นหลักนะอ่า หลักที่เราให้ภาวนากำหนดจิตนี่อย่างอาณาปานสติเป็นรากฐานเรานะอาที่แรกจริงๆน่ น, นะแล้วก็ควรกำหนดว่าบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้ไว้ในใจของเราเราจะเอาอาณาปานนสติเป็นรากฐานเจ้ากระรู้ไว้ในใจของเรา ว่าวันนี้เราจะทำอะไรในเวลานี้เราจะกำหนดนาปาสิ่งก็กำหนดเราก็หายใจเฉยๆหันใจเฉยๆเข้าไปออกมาให้เรารู้จุดของวันวั น, วนหนึ่งสองสามีไว้ลมเข้าไปนี่เดี๋ยวต้นลมหยุดตรงนี้ ทานนี่เรียวกว่กลางลมอยู่ที่นี่จะดูนี่เรียกว่าเราปลายลมอยู่ที่นี่เมื่อลมมันจะออกมาเราก็ตั้งใจว่าต้นลมอยู่ที่ตรงนี้กลางลมอยู่ที่ตรงนี้ปลายลมอยู่ที่ตรงนี้เท่านี้ที่นี่เรากำนดเฉยจะผ่านเข้าไปาผ่านเข้าผ่านเข้าออกเข้านี่ ทีนี้อันนี้เป็นเหตุให้ผูกจิตของเราหลายหลายอย่างหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลมเข้าต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ตรงนี้ปลายลมนี่ลมออกต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ตงนี้ปลายลมนี่พอเรานั่งเข้าไปนล้วกาหนดเราดูจากต้นลมกลางลมปลายลมเสมอทีนี้จิตของเรามันจะเป็นอย่างเนี้ย ก่อนเราจะนั่งจะหายใจนี้ก็เรียกว่าเราให้จังหวะจิตของเราให้สบายเสียก่อนค่อยๆก็เราเหยียบจักเราเหยียบจักเราฝึกเหยียบจักเรานั่งผีดจากก่อเปล่าเฉยๆเสียก่อนอันนี้กระบวนกันเราจะนั่งสมาธิเราหายใจเฉยๆเสียก่อนไม่กำหนดที่ไหนมาแนละ้กำหนวดว่าเราหายใจตอนนั้น แล้วมันสบายที่ไหนมันสบายขนาดไหนเราประจำไว้เมื่อเราจำว่ามันสบายขนาดนี้ยาวขนาดนี้สั้นขนาดนี้ราก็กำหนดเข้าเลยหนึ่งสองสามสามันจํนนานจำได้ไม่หลงต่อไปอีกระยะที่สองขั้นตอนที่สองนั้น เมื่อจ <bir S 3> <un Bye S 1> ิตของเราทํางานตรงนี Hills ้ตรงนี bucks, ้พอสมควรแล้วเราต้องเอาความรู้ตั้งไว้ตรงนี้ปลายจมูกรด้วยรูดีปากนี่ไม่กําหนดว่ามันมันเป็นยังไงรู้จักว่ามันออกมันเข้าตอนนั้นพออแล้วชั้นยาวก็ไม่ไม่กำหนดมันหายใจเฉพาะพอดีพอดีว่ามันเข้าไปรู้จัก บางทีมันจะมีอารมณ์ผ่านเข้ามาหรือไม่ผ่านมันจะวิตกค้ว่าวิตกมันจะยกเรื่องอะไรหนึ่งเกิดขึ้นมามันวิตกยกเรื่องนั่นขึ้นมาอย่างเรื่องสังขารอย่างเรื่องโลกหรือเรื่องอะไรต่างยกเรื่องสังขารขึ้นมาสักจัมมนยกขึ้นมามี่เรียกว่าวิตกเมื่อยกขึ้นมาแล้วมันต่อไอความรู้สึก คือจิตใจของเราความรู้สึกกับอารมณ์นั้นมันก็จะทุกคลีกันไปมันจะไปกับอารมณ์อะไรอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มันเถอะชาว่าจิตสงบนี้อารมณ์นี้มันชอบเป็นกุศลธรรมมันชอบเป็นกุศลธรรมไม่ใช่เป็นอกุศลธรรมถ้าอากุศลธรรมแล้วก็ห้ามมันเลย ถ้าเป็นกุศลธรรมแล้วเป็นต้นก็ดูไปด้วยไปความชอบใจความดีใจความพอใจเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปพักหนึ่งแล้วมันก็แจ่มใสเมื่อรวมเข้าออกมันก็แจ่มใสเมื่อเรามีตกยกกันมาต่อ น, นั่นไปมันจะเป็นวิจารมันจะมีความรู้ครุกคีสมเสกันใสกบารมมานั่นอีกเมื่ออยู่ไปพักหนึ่งนั้น อันนี้ไม่ง่วงนะตัวนี้ไม่ง่วงทำมันเป็นอย่างนี้ไม่ง่วงเมื่อมันคุกคีไปต้อนร่มต่างๆนี่เรียกว่าวิจารเมืเ่อไปถึงวิจารณพอสมควรแล้วเรายกขึ้นมาอีกสิหนึ่งตั้งคือมันดื้อต้นดมแล้วมาจับเลยตรง น, นี้อย่างนี้ทําอย่างนี้เรือร่อยไปมันก็วีตกมันก็วิจารณมันก็วีตกมันก็วิจารวีตกมันก็วิจาร ถ้าหากว่าเราปินาแ ง, ง่สังขารเป็นต้นจิตมันก็สงบเข้าไปมีวีตกวิจานมันเพรียมก็เกิดจะจากปรรรีติเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีวีตกมันมีวิจารณ์นมัมนปีติเกิดขึ้งคือความดีใจเกิดขึ้นมาในเวลานี้ความว่วงเหงาห้านอนนี่มันจะไม่มีละมันจะไม่มืดอ่ะถ้าเราทําอย่างนี้มันจะไม่มืดออมันมีความปลื้มใจขึ้นมาความดีใจขึ้นมาแล้ว นะอืเดียมมันขมูดไปมันจางทีสีจางไปยกวิตกขึ้นมาอีกเอามาไวตรงนี้อีกแน่นอนตีเจอะไม่มีอะไรอีกพักหนึ่งมันจะเป็นวิจารณนะคือมันมีอารมณ์มาแต่กัคลุกขีวิตภาควิจารอารมณ์เรื่อยไปนะเมื่อไปถึงกรรมาฐานที่เราต้องการผูกกระดิฐงของเราเมื่ อ, อไรอารมณ์นั้นนะ มันจะเกิดปีติคือขอนพองสยองก้าวเกิดอิ่มในใจขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ความง่วงเหงาหานอนนั้นไม่มีไม่ไม่ไม่ได้สุกข์ใจของมันตรงนี้ยทีนี้เมื่อจิตมันเป็นอยู่อย่างนี้มันก็เป็นมีตกมันก็เป็นวิจาร์มันก็เป็นมีตกมันก็เป็นวิจา์มันก็เป็นมีตกเป็นวิจานเป็นปีติแต่ก็มีความสุขนี่ อันนี้การเรานั่งทีนี้ถึงแม้เราธทำยาบทการการยืนไหนการนั่งสมาธินี่พอสมควรแล้วก็พาเดินเดินมันก็จะเป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละอารมณ์นี่เป็นอย่างนี้มันไม่นอนเหมือนกันมันมีวิตุกมันก็มีวิจารมันมีวิตกมันมีวิจารมันก็มีปีติอยู่เรื่อยอันนี้นิวรณ์ไม่มีนะ่ไม่เศร้าหมองอี่ไม่เศร้าหมองอะไรก็ช่างมันถ้ามันมาเกิดผานไม่ต้องสงสัย มันจะเกิดโรงเกิดสว่างเกิดดีๆเกิดเลยไม่ต้องสงสัยมันอันนี้อย่าไปสงสัยในอาการนี้ดูว่าอาการมันมืดดูาอาการมันสว่างแล้วจะไปจดจอ่อมันจะไปหมายมั่นมันปล่อยทิ้งมันไปเ อ, อแลราก็เดินไปกำหนดจอ่อไปเรื่อยๆไป่าไปผูกพันอยู่ที่นี้อาการนี้อย่าไปติดตามอาการอย่าไปสงสัยอาการของจิตนี้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน บางทีมันเบิกบานบางทีมันเศร้าโศกบางทีมันมีสุขบางทีมันมีทุกข์บางทีมันขัดท้องอะไรทั้งหลายเหล่าเนี่ยให้รู้ว่าอาการจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเรื่องอาการจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นในเวลานี้มันถึงที่นี่มันก็เป็นอย่างนี้ของมันอย่างนั้นจะได้ไปสงสัยมันถึงไม่มีมีความมืดก็จะไปทึ่งไปทําความเสียใจมันถึงมันสว่างก็จะเพิ่งไปทําความดีใจมันไม่สงสัยในความดีใจได้เสียใจ ที่มันโปรง่งที่มันมืดส่เป็นต้นไม่ต้องทำความเสียใจดีใจของมันว่าอากิตอาตารจิตมันเป็นอย่างนั้นทนีเนี้ยเนี่ยกระทามันทำเดินยังกงมันมากก่านั่งเสียยาบทนี้เอมันเหนื่อยที่สุดแล้วนกะ็เมื่อเหนื่อยปุ๊บขึ้นมากนั่งเนี่ยหาใจไนะนะหมเนี่นะทำานเงืัน นั่งก็ั้งใจมันนั่งที่จะไปทำเล่นอย่างนีงไม่ได้ถ้ามันง่วงนอนเดิมตากพิ่งจะมองดูน่ะเพ่ ง, งแล้ว่ยวอยู่เฉยๆก็ได้แล้วจะยุย่งนี้ก็ได้มันมียุงหลายทียอยู่งี้ก็ได้มองนานๆให้จิตมันนิ่งมันหลบสงบจากอารมณ์นั้นได้กำไรแล้วก็นั่ง ถ้านั่งไปทางไหนมันแก่ไสไม่ง่วงนอนเราก็นั่งหลับตาไปเลยถ้ามันจะง่วงก็ดื่มตาขึ้นม่อีกดูอันนี้อีกเพ่งลงไปอย่างนี้นะฮนะอย่าไปทําตลอดวันตลอดคืนเนะถึงมันง่วงพอสมควรก็ให้มันใจไหมละ่พะพอสมควรแล้วก็ให้มันเหมือนเราแหละฉันข้าววันหนึ่งเวลาหนึ่งถึงเวลาเราก็ให้มันชาน ทำไมันชั้นสีวันห้าวันก็ไม่ได้มันมันทุกข์นะม่ถูกจิตนี่ก็เหมือนกันการนอนนี่ก็เหมือนกันพอต้องควรเราก็ให้มันเนี่ยก็รึนอนลุกขึ้นมาใไปง่วงไม่มันง่วงนอนลุกก็มันจะทำงานทําความเพียรเดินจะพุมให้มากๆถ้าว่าเดินช้าๆมันช้าเดินไปเน่ะมันทึบนะเดินเร็ว นะเดินเร็วเดินเลือกเอาโดยมากจิตมันอยากจะคิดไปในทางไหนก็ไม่รู้มันจยคือแค่ว่ามันเทอือครับมันเอือนก วิโตปกับวิจาร์มันไม่คือเหมือนกันอันเดียวกันไม่คือการการพิจารณาเลยใช่วิโตก็นั่งไปเมื่ก็นั่งไปอคิดถึงบพการุณย์มีเยอะกว่าวิโตกเหรอใช่ไหมอืม มีเด็วิตกที่นี่มันก็เอาเรื่องคิดของาพระปารคดอนันวิจารเรื่องพระปารโดอนันไปเดยกว่าวิจารณเออวิตกยกขึ้นมานี่อยู่นี้วิตกยกขึ้นมาแล้วก็วิจารณปารกยานานี้ลูกทีกันไปกระบรมนั้น อย่างมันยกความตายเกิดขึ้นมาพลุกความตายเดี๋ยววันยกขึ้นมาแล้ววิจารณความตายจยังไงอะไรยังไงตัวเราสุดตายคนอื่นสุดตายยังไงสัาใดตายแล้วมันไปที่ไหนอะไรเลอกเลิกยกใหม่ามันจะไปเมื่อเลิกใหม่จะอารมณหายใจต่อไหมต่อไหมบางทีก็บางทีมันก็ไปเรด้วยไม่ไม่ไม่ไม่กลับมาไม่เอาเนี่ยยกมันโยงมาตัวนี้เกไปเรืยจนจิตใจมันแจ่มู่นี้ วิจาร์้ามันปีจาร์ไปถึงมามันมันมันมันมันไปถึงอะไรอันหนึ่งที่เรามันถูกจดดีของเรามันจะเกิดหัวลุกขึ้นมาก็ได้เกิดน้ำตาไหลก็ได้เกิดความดีใจขึ้นมาก็ได้ได้หลายอย่างอันนี้ปีตีมันจะเกิดต่อไป Like w e t a l p o k e n just be any kind of thinking, mm -hmm. but here in the meditation, you know, your mind is calm, and then you take up some object, or maybe something comes up by itself, and then you. Uh, you the when your mind is concentrated, then you can uh, work with a thoughtless. Mm -hmm. And then when it when it, you know, when it gets all the way there, then the r a c t u r e arises, and then there's, you know, there's no t h i n k i n s or anything like that. He said, "You know, you start with it, and then you you get wrapped up in the thinking and you, you lose the track." He says, "Like bring it back again. Either bring it back to the the breath, or bring it back to the object you're thinking about, like death." Like He says, there's, "There's a subtle difference between kind of two times. One is thinking about things consciously with a clear mind a n d h i c h kind of thinking." I wanted to ask him about that. I mean, how do you, think you know, really, really get e o p l e Well, he taking mm -hmm. the samadhi as his basis for doing mm -hmm. it. Oh God. Then, when w talk, w t This, this, this, this, t h i t i s this, this, h i t i s this, t h i i s this, this, h i t i s t h h t i ความสงบครับเลยได้ใจความสงบแล้วครับคือจิตเรามันสงบหมดใช่ใครว่ามันมันมันนอกความปรุงแต่งนึคิดมันมันขึ้นมาเองเยไว้ใช่นั่งยิบตกอเลยนั่งก็ยิตกเรื่อยยิตกถึงอย่างเช่นว่าอืมยิตกถึงพุ่งเวลาเราตายนะแค่นี้คือมันสงเลยมันตาย หรือวิตกถึงบ้านถึงที่น้องหรือญาติอจิตสงบแล้วนะจิตสงบมันมีตกแต่ว่าสงบมันยังไม่แน่นอนนะแต่ว่ามันสงบแล้ววิตกแล้วมันก็วิจารณ์ในเรื่องนั้นถ้าวิจารณ์ในเรื่องนั้นสิ่งที่มันเป็นกุศลเราทำแล้วมันก็ สบายใจดีใจเกิดสติต่อไปนี่มันก็เลยเป็นสติบางทีน้ำตามันไหลบางทีมันขน ล, ลุกบางทีมันนี่มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมันเกิดจากวิตกวิจารณนี่เองการจิตที่มันสงบแล้วที่เขาเรียกเป็นประสมมาฌานตุิยาฌานตติยาฌานเขาไม่ว่าไมนไปหล้วเขาว่าถึงความสงบ วิตกวิจาร์ตีตีสุขทีนี้มันก็ทิ้งไปวิตกวิจารวิตกวิจาร์ถ้ามันคิดสงบไปแล้วมันก็วิตกวิจารเนี่ยมันทิ้ง ม, ม, ม, มันทิ้งมันเนือเต็มปีตีสุขทำไมมันทิ้งมันไปไหนคือ คือจิตมันหยาบมาคือจิตมันละเอียดแล้วน่ะวิถกมันมันเป็นของหยาบแล้วจิตเรามันละเอียดแต่วิถุกมันได้ทิ้งไปมันหายไปไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันไปที่ไหนเนี่ยวิจารมันก็หายไปด้วยแต่ปีติเฉยเฉยไม่ได้วิถกไม่ได้วิจาร์ใช้อินใจอยู่เสมอน้าตามันไหลไม่มีวิถกวิจารปีติสุขมีปีติก็มีสุขเอกกตา ที่นี่มันมาถึงที่สุดมันก็ไม่มีอะไรปีติสุกเอก็มีอุเบกามีเ็มันวางปัญนาสมาธิเท่านั้นเราเราไม่ต้องพึ่งอะไรมันญาที่ที่หากว่ามันเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นต่อๆกันเรื่อยๆไปันเป็นขานาอยู่ปีตกวิจา์ปีติสุกเอกกตา มันต่อไปมันทิ้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นมาแดีวมันทิ้งไปเดือดจะปีติกระตุกเอกกตาหลงต่อไปมันก็ทิ้งมันก็ทิ้งปีติมันเดือดจะสูบกับเอกกตาต่อไปเอกตารู้เบียาเนี่ยมันไม่มีอะไรมันทิ้งไปเรียกว่าจิตเรามันสงบสงบสงบถึไปถึงที่มันอารมณ์มันน้อยที่สุดมันยังเหลือเยชนโนแต่ปลายมันเดือดจะ เทกกระจากระเบขาเฉยอย่างนี้อันนี้มันเกิดมามันมันมันมันสงบแล้วมันถึงเป็นสงบแล้วถึงเป็นนี่เรียกว่ากำลังของจิตอาการของจิตที่มันได้รับความสงบแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่นอนความโงโหนอนความใจไม่ได้หาย ไมีข้อมนลเรอาตอนปีตีเอ้ไอ้ไอ้นิบอลทั้งห้านี่มีหมดนีไอ้ความสงสัยดังเดวิจิกิตขาอิจฉาพยาบาทพุ่งลัางลังคามีอันนี้ไม่มีอ่ะไม่มีมีมีมีถึงมีอยู่มันก็ไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นเรียกว่ามันไม่มีเรื่องสิ่งความสงบปานี้ครับสิ่งแวดล้อม และเอ่อบางทีตารเราเนี่รับตาแล้วลืมตาอย่างนี้มันสําคัญอยู่หมูครับหรือหรื อ, อยังไงไหสิ่งแวดล้อมเพื่อเรามันอีู่ไหนก็เป็นไปได้ถ้าจิตละลื้นเราจะ <S <S 2> <S 2> รู้ตา ร, รับตาก็อย <S <S ู่ได้ใช่ๆได้แต่ว่าในขณะหนึ่งมันก็สําคัญจําเป็นในขณะที่เราฝึกใหม่แล้วก็จําเป็น แต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่อยของมันนะด้วยถึงแม่ดับตาดืนตาอนนี้มันก็เป็นก็มันอย่านี้แต่เราไม่เห็นมันจะดีกว่าบางบวงแรกมันเมื่อเราไม่เห็นเนี่ก็สร้างกาลังทางจิตซะก่อนให้มันมีกําลังเนี่มันมีกําลังจึงดืนตาออกมาดูมันอย่างนี้ทีนี้มันมีกําลังเลยเป็นต้นดับตาดืนตามันก็ไม่มีอะไรไม่ได้สับพัดสะุดทุกทุบทุบทุบแล้วแต่ แล้วถ้ามันมีกำลังแล้วอแต่ว่าเมื่อเราพักผ่อนเราก็ต้อตงดับตานะแต่เราพักผ่อนเราดึงกระช่างมาเถอะอันนี้มันเป็นที่อยู่ของพระอผู้ปฏิบัติในนั่งดับตาอย่างนี้มาก่อนโอแสนดีมันเลยอย่างนี้อันนี้หลักอันนี้มันเป็นหลักใหญ่ของมันใช่ว่าเมื่อเวลาที่เรา มีเหตุที่จะนั่งรับตาไม่ได้นั้นก็จะสู้กันได้ไหมกัน ไ, ได้หนึ่งมันมีกำลังแล้วมันกันได้ไแต่ว่าเมื่อขั้นหนึ่งก็เรียกว่านั่งรับตาแล้วก็มีมกำไรขึ้นมาอีกจิตขนาดหนึ่งถ้าเราดึงตาจ ะ, จะสู้ไว้มาเห็มันมาหนมันดันต่อมาสู้ไว้ไ ไม่ขาดพุนเราสู้ไว้สู้ไว้เฉยๆถ้าเรานั่งหับตานี้มันมีปัญญายิ่งกว่านี่อีกนี่เมื่อเราปฏิบัติจิตขานาหนึ่งถ้าเราจิตดทดัู้ทั่วถึงมันนล้วก็ไม่ืูตาหลับตามันก็เสมอกั น, น, นมันก็ไม่มีอะไรจะแตกยามตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนมันก็เสม อ, องพรามันอยู่อย่างนั้นอารมณ์นี่มันอยู่อย่างนั้น ไม่มีอะไรของมันอย่างทุกเกิดขึ้นมาก็ไป็นเน็จเนี้ยเน้ยก็หายไปทุกเกิดขึ้นาเนยเนน่เนยอยากคิเกิดขึนมานี้ยเนียก็ยุติันอันนี้มันแนที่อยากคิดก็จะคิดเท่านี้ยิดอารมณ์ไม่ได้หึนางไมนอยากคิดเนี่ยเนี้ยแต่คมันอยากบวชนี้มันอยากไปิดเนี้ยมันก็ทิง อันนี้มันแน่แน่แน่แ น, แ น, แนเข้าไปด้วยมันไม่เห็นนมืดเหมือนมืดเนี่ยคนคนค น, คนโกหกโกหกเรื่อยไปเสียเวลาอย่างโ น, น้เสียเวลาอย่างนี้มันว่าขอมันไปแต่เมื่อมันถึกไปมันไม่เสียเวลาเลยมันไม่ได้คิด คึกไปทำสวนคึกไปทำปัวคึก ไ, ไปเลี้ยงหมูในเขี้ยวเวลาดูคึกไปเลี้ยงงมวเลี้ยงแกะเนี่ยนั่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีอะไรมไหมอีกไหม anybody have anything else we we'll we leave this when we have a better time we sit on our own we have it on tape and things บูรุษเป็ไงบรุษ ม, มีอะไราเออเคยมีเนี่ยเคยมีอะไ ร, รอออเอออุอนโนอุปนโนเหรอครับเรื่องความทุกข์มันมวามันเด น, นียางอย่างเ็นายนนนากใช่้าัน้มันมีนสิ่งที่เรามามันมันเห็นยาก ท่ามันควไม่สบายท่านมันทามันมอารมณ์สบายใจกว่าที่มันเป็นไม่เทียงเากับเป็นความรู้สึกไม่สบายใจกว่าธรรมาเอ่อมันโมหะเป็นมูลรากฐานมากกว่าไงไมั้งไอทีมันไม่ชอบนะนะมันเป็นง่ายมันเห็นในยากที่มันชอบมันเห็นในง่ายง่ายเนาะ มัน่องคดีเห็ุมันเป็นอย่างนั้นออะไอ้ความโกรธมันละอะไรยากเห็นไหมเนี่ยมันแรงไอ้ความสุขนี่รู้มันมันมันละอะไง่ายๆ่ายแต่มันไม่ง่ายเหมือนกันนะแต่มันไม่แรงนะไอ้ความชอบใจเนี่ยไอ้ความสุขเนี่ยนี่คนมันชอบมันก็ดูมันมันละง่ายง่ายนะไอ้ความโกรธนี่คนไม่ชอบมันนะมันไม่รู้จักละมันนะ ไอ้ความเป็นจริงมันเท่ากันมันเท่ากันทีจจะนาไปซึ่งต่อกัทุกข์กับพุกขนี่เท่ากันเลยถ้ามีจาตาช่างเอาไปช่างวนก็เท่ากันแต่เราเข้าข้างทุกข์มากกว่าตองนั้นเนี่ยมันเลยเป็นของยากไอ้ความเป็นจริงไอ้ความไอ้ความทุกข์กับความสุขเนี่ยมันไอความทุกข์มันน่ายากเหรอ ของมสุขมันละง่ายๆเดียวนสิ่งที่เราชอบมันละง่ายสิ่งที่เราไม่ชอบทำไมมันละยากทำไมไม่ดีทาไมมันละมันยากไม่ใช่อย่างนั้นจิดใหม่เข้ากันเลยแต่เราไปเข้าข้างมันเฉยๆเราคือคือคือทุกข์เกิดมันํำคาญใจอยากให้มันออกหรืมันมันมันยาก สุกนี่มันพอตัวเราแคหน่อย <c oughs> ก็เลยอยู่เป็นเพื่อนกับมันก็เลยว่าสุกมันละง่ายไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ดีพอใจเราไอ้ทุกข์เนี่มันดีพอใจเราเฉยๆเราตัวนี้ว่ามันมีราคามากความเป็นจริงแล้วมันเท่ากันอืมันเท่ากันเหมือนกับความร้อนกับความเย็นนั่นแหละร้อนอย่างไฟเผาเราตายก็ได้ แข็งเย็นเหมือนเราแข็งเนี่ยเราทุกข์เข้าไปมันก็เหมือนกันตายเหมือนกัน่ไม่มีอะไรมากกว่ากันนะสุขทุกข์นี่มันมในติณสกิว่าความคิดเราน่ะไอ้สุขนี่เราละ่ายง่ายๆนในง่ายเหมือนกันแต่มันไม่ดีพอใจเราอเราชอบมันอยู่แล้วมันไม่ดีพอใจเราทุกข์แตมันดีพอใจเรามันเห็นง่ายละยาก ในยากความเป็นจริงมันก็อันเดียวกันอืเหมือนกันกับเหมือนกันกับเขานินทากับฉันกระเสริญนี่แหละอุปนวาชฉันกระเสริญมันจะละง่ายกว่าแล้วมื่อนินทาทำไปมันละยากอย่างนี้เอออย่างนี้ไอความเป็นจริงนั่นมันไม่ใช่ของเล่นมันเข้ากันนะ คืออ่าในฉันเตือนนั้นมันก็ค่อยไม่มีอะไรนะถ้าเขามีนาแต่เมย์มันไม่ชอบนะเพราะนึกว่ามันละยากนะในความชอบใจแต่มันก็ละญากเหมือนกันแต่เราไปเข้าข้างมันจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นอย่างนี้ถ้าบทเขาเชิญเตือนแห่หัวแห่มันไม่เคยทูกข์อะไรนะถ้าเขามีนทาเฮ้ยม่ค่อยสบายแต่เนี่ยมันก็เท่ากันนั่นแหละ ใจบาปมาปูกอาการผิดของเรามันมาสัมผัสแต่รู้ว่ามั น, ม, นมากน้อยก็กันจริงก็เราเข้าข้างมันแล้เวเข้าข้างอย่ยังหลายอยู่แลโนเออเอหละให้เข้าใจเสี้ยวการภาวนานี่ก็เดียกว่าเราอมันต้องมีทุกอย่างอะไร อันคิดิดเนี่ยมีทุกอย่างแต่ว่าเรายอมรับมันเลยว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นมาเลยอว่าสิ่งนี้มันก็อ่าสุขหรือทุกข์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ของเราจะละทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าสุขกระบาดาสนาทุกข์เปนปาฏณามัานมก็มีราคาเท่ากันมันก็จงมีมาอย่างนี้อืมเป็นของปาฏนาของคนในโลกคือสุขทุกข์เป็นของไม่คนปาฏนา ท่านมีพานคือไม่มีปาฏนาเข้าใจไหมท่านมีพานไม่มีปาถนาอยากได้สุขอยากได้ทุกอยากค้นสุขอยากคนทุกข์ไม่มีสงบคือสงบอืแต่ก็ผมว่าการที่จะรู้จริงๆนั่นน่ะมันก็ ไม่อาใจคนอื่นคือไอความสงสัยทั้งหลายนั่นให้เราเข้าใจว่ามันจะหายอยู่ในการกระทำของเราอยู่ในการทําเพียงของเราไมา่หยุดมันจะไม่หายสงสัยพราะไปถามคนอื่นมันจะมันจะหายสงสัยเพราะการกระทำไม่หยุดของเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างนี้ปฏิบัตินะแล้วมาเชรี่เข้าใจไมละ่ะ Man, um, i in doubt, you're gonna get rid of doubt by the uh, continuity, consistency of, of your practice, and by continually seeing it, and looking at it yourself, and solving it yourself, as compared to coming to. It. Going to him with your doubts, or to me, or whoever it might be—somewhat, in other words, somebody else—that can get rid of them for maybe uh, briefly, but not. Uh, but ultimately, you have to uh, cut through your doubts, solve them, or uh, overcome them, let them go through your own practice. Some ้ a n e i ben lau. <laughs> เป็นหลักปฏิบัติสำคัญมันจะมีความสงสยัยความสงสัยเจะเอิดแห้งไปเพราะการปฏิบัติของเราไม่อยู่พระพุทธเจ้าสั่งพระ อ, อนนโมทนาโนนทำให้มากปฏิบัติให้มากทำให้มากจเจริญให้มากเนี่ยเท่านี้เออ แอ้ความเพียบผลเกิดขึ้นมามันจะหายความสงสัยทุกอย่างข้อการกระทํานี้การกระทํานี้เนี่ยมันจะบอกมันจะสอนเราอืมผิดถูกทั้งหมดจริงๆแล้วอันนี้อืมอันนี้มันจะรู้จักผิดมันจะรู้จักตรงนั่นแหละอืท้ามไอ้ความเครือบแคลงสงสัย ของความทั้งหลายเรานั่นจะเห่อแท่งไปได้เพราะการทําเพียนไม่หยุดนี่เพราะการกระทํำของเราไปทีไหนก็ช่างมาเถอะมันจะมาลงลงลงเอ่ยที่การกระทําของเราไม่อยู่แต่ว่าเราทนมันไม่ไหวมันทุกข์หลายก็เลยอืมมันทนมันไม่ไหวถ้าเราทนมันไหวแล้วมันก็มันดูในการกระทํำของเรา มันจะบอกเองเนี่ยคิดผิดเองมันจะให้โทษมันเองคำผิดเองมันจะรู้จักมันเองต่อไปมันจะสอนตัวของมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอยู่ที่นี่แต่ว่ามันหายากเหมือนกันนะลำบากเหมือนกันนะลำบากใอนกัน แต่เราก็อยากรู้มันเร็วๆนาอัลญะโโปนะอัลญะโโปก็ต้องวิ่งขับเจ็บเจเนี่ยวิ่งไปได้เลมาโนนจะสบายก็วิ่งไปเลยก็วิ่งกลับไปอีกแล้วอ้๊บสบายเดี๋ยวนี้กําลังจะบเดือดร้อนอีกแล้วเดี๋ยวนี้จะกาลังจะเดือดร้อนอีกแล้ว เป็นชุดเก่าแล้วมันมันต้องต่อไปบ้างนะระวังให้ดีอดให้ดีเดี๋ยวนี้มันชอบคิดถึนมาอะไร